อา عوذ بالله من الشيطان الرجيم เราคุม فيها มาตัศต ahi อังภูสุกุมว่าเราคุม فيها มาตั นุ้ด ل ะมิน وفور الرحمان วัน ن ق พ ل ะ م ุโค ن ลั دعاء إلى الله قال إنني من المسلمين، <تصفيق> ولا تستوي ا ل ح س ن ة ُ ولا ا ل س ي ئ ة إدفع بالتي هي أحسن هيدا الذي بينك وبينه عداوة بسم ال الله الرحمن الرحيم ฮ ن الحمد لله ن ح م อ ه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ล ن ف س ن ا ومن سيئات ลอฮฺอัลลอฮ ه อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮ ل อั ا ลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอั ا ล ل ฮฺอัลลอฮฺอัลล ว่าส د, د ุอั محمد أ ََّ عبده ورسوله اللهم بِك أَصْبَحْنَا وَبِك أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَ وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ أعوذ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَمَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خ َ ل َ ق بِاسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ م ع ا س م ه شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ و َ ل ا ف ي ا ل س م ا ء ว ا, إ ه ่นผู้ที่ ل ู้ที ا ل ู้ ل ل ่รู้ที่รู้ที่รู้ท و ่รู้ที่รู و ที ا ل ل ้ที่รู้ ا ี่รู้ที่รู้ที่รู้ที่รู ا ที่รู้ที่ ا ู ل ท ا ่ ن ู้ที่รู้ที่ร ب ้ที่รู้ ا ี่รู้ท د ่รู้ที่รู้ที่ร وعافيني في بصري سبحان الله وبحمده عدد خلقه وريضة نفسه وزينة عرشه و, و, و د ل ا د كلماته يا حي يا قيوم برحمنك أستغيس أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل ส a l a m r m u l a h i wabarakatuh. ล่พระุลิลลาห์นน้องที่ร่วมนมาสการร่ที่มัสยิดอัลบาริซุน่าทีทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการเฟ e b o o k สรวรรค์ในบ้านนะครับและผ่านทีเอมทีวีทีละทั้งหลายครับและท่าุเรีล้วก่นอด่นต้องไม่ลืมนะครับถึงจะมีโรคโควิดระบาด ก็ต้องไม่ลืมอลัลลอฮ์ <c oughs> อย่าไปโทษใครเลยนะใครที่เป็นโรคโควิดเนี่ยต้องกลับตัวไม่ต้องไปโทษใครเพราะอาลัลลอฮ์ทดสอบ <c oughs> เพื่อจะให้คนป่วยเนี่ยแต่และคนเนี่ยนอ บ, น, อ บ, อบน้อมท่อมตนต่ออลัลลอฮ์และอย่าลืมดว้ดวยด้วยต้องขอเลยนะอัลลหฮุมไมยนิอูซุบิกะมินัลบารอส วัลจุนูนวัลจุดามว่มินงไซยิลอัอสกามในวัคสุดท้ายนี่แห ล, ล, ละว่ามิ่งไซยิลอัสกามไัยิแปลว่าไม่ดีหรืออันตรายอัลอาสกามหมายถึงโรคโรคระบาด ท, ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตต้องขอความคุ้คมครองจากเราพ่อแม่เราต้องขอผุดขอเผื่อภรรยาขอเผื่อลู ก, ลก นะครับหลานๆเหลนๆด้วยนะครับก็ต่างคนต่างขอให้กันดีที่สุดครับ <c oughs> ก่อโรคระบาดครานี้นี่ทำถ้าจะจะเพิ่มขึ้นนะฟังจากข่าวนะนะมันก็จะเพิ่มขึ้นแต่มันไม่ร้ายแรงรัฐบาลก็พยายามที่จะจะทำให้เป็นโรคประจำอะไรนะประจำท้องถิ่น ฮัหมุนดุลิลละสาวจะบาบาวๆเลยนะประจำท้องถิ่นนะฮะฮามดุลิลละขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى นะครับที่เราอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้มาเราก็ลืมแจ้งใครด้วย <laughs> เพราะว่าเป็นโควิดก็วันนี้ลฮัมดุลิลละหายแล้วก็ตั้งแต่มาืวาสซืนนี่แล้วฮัมดุลิลละ พี่น้องครับขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราอ่านกุราน <c oughs> นะครับเราก็ ว, วันนี้มาถึงสูราที่41ฟุตเลัสหรือฮามีมซาจดาเรียกได้สองชื่อนะเพื่อให้เราฉลาดขึ้นนะนะฮามีมซาจดาหรือฟุตเซลัสนะครับ <c oughs> ขอเท้าความเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับ <c oughs> อายาที่30 <c oughs>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 เนี่ยพยายามอ่านให้จำจะได้อ่านในนามาหวัวใจเราถ้ารู้คำแปลมันโยมกับลอมาดูกฎ ด, ดูแดูสัพ์นะอินนัลลอีนะ ก, ก็อดูรอบบุญลัลลอฮ์แท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่ารบบุญอัลลอฮ์อัลลอ์เป็นพระผู้อภิบาลของเราแท้จริง คนที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลของเราเนี่ยก็คืออัลลอฮรับบีนั่นแหละคนที่ยอมรับว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวฉันจะไม่ก้มลงกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์คือการรู้จักอัลลอฮ์ต้องรู้จักอัลลอฮ์ในสี่สามประการหนึ่งอัลล์เป็นผู้เป็นผู้สร้างสร้างตัวเราเองนะสร้างมนุษย์ สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราอัลลอฮ์รับผิดชอบสร้างแต่เ พ, พียงผู้เดียวเมื่อสร้างแล้วอัลลอฮ์ก็ดูแลอีกอะ่ะเรเรื่องที่สองอัลลอฮ์ในฐานะเป็นอีลาหุนที่เรากล่าวว่าลอิลาฮะอินละลอเป็นการเตือนตัวเราว่าเราจะไม่ก้มลงกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอ์ นี่ข้อที่สองแล้วนะข้อที่สามต้องยอมรับว่าอัลลอได้มีคุณลักษณะมีศิลฟาตมีคุณลักษณะอีกร้อยกว่าข้อนะครับเร่งทรงเห็นทรงได้ยินให้เป็นให้ตายให้ใครจนให้ใครรวยให้ใครมีอำนาจลดอำนาจใคร ให้มีลูกแต่งงานลูกไม่มีลูกหรือมีลู ก, ม, ลกมีลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายทั้งหมดเหล่านี้อัลลอฮ์บริหารจัดการแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยต้องยอมรับตรงนี้ก่อนทีนี้เมื่อกล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลของเราแล้วซุ่มมาสตะกอโมแล้วก็ยืนหยัด อธิการวิดีมหาวิเลยของผมเนี่ยนะจะว่าเนี่ยมอนาวุลลรซันเนี่ยมนุษย์มีสองกลุ่มอธิบายคาว่าซุมมัสตะกอมูเ น, นี่ยนะแล้วเขายืนหยัดมันกลุ่มหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ยืนหยัดคือไม่ทำชิริกจะเจอปัญหา ห น, น, นักแค่ไหนก็ตามแล้วเราไม่ทิ้ง All. อัลลอฮ์ยืนหยัดในอัลลอฮ์อง์เดียวแต่อีกกลุ่มหนึง่งไม่ยืนหยัดกล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลของเราแต่ไม่ยืนหยัดเจอปัญหาเดือดร้อนแก้ไม่ได้ทิ้ง All. อัลลอฮ์เอาบ้างไม่เอาบ้างยืนหยัดบ้างไม่ยืนหยัดบ้าง <c oughs> แต่าการยืนหยัดเนี่ยยิ่งใหญ่นี่อัลลอฮ์ต้องการจะเล่านะ <c oughs> คนที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลของเราในสิ่งในสามรายการนะอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเราจะไม่ก้มลงกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีสิฟัตอีกกี่ข้อนะอีกร้อยกว่าสิฟัตนี่นะแล้วก็ซุ่มามาศก็มูแล้วก็ยืนหยัดอยู่ในอยู่ในอัลลอฮ์นี่แหละนะ ผละบุญมีอะไรบ้างตาตาณจัลโลมาไลฮิมุลมาลอิกะมาไละกะจัลงมาหาเขาในที่สามที่ในทัพซิดอธิบายว่าในที่สามที่ตอนไหนรู้ไหมตอนวิญญาณจะออกจากร่างอตอนวิญญาณจะออกจากร่างวิญญาณเราเนี่ยที่ยืนหยัดในอัลลอฮ์องเดียวนี่นะแบบมั่นคงเนี่ยนะ มะเลกาจะมาปลอบใจที่วิญญาณบอกว่าลาตะคอฟูวลาตะซะนุวะอับชิโร บ, บิญจ น, นะสามรายการไม่ต้องกลัวเรื่องข้างหน้าตายแล้วจะไปอยู่ในกูโบใช่มหมแล้วก็เรื่องที่สองตอนอยู่ในกุโบแม้เลือที่สามตอนฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพในวันเกียมาเองอะ่ะ สามที่ดูกันในคุณอานเล่าเล่าคนที่ยืนหยัดในอัลลอฮ์องเดียวไม่ทําชีริกต่ออัลลอ์ยืนหยัดในอัลลอ์แบบมั่นคงนะครับอัลลอ์จะให้สามรายการแก่คนคนนั้นหนึ่งมล า, ายกาจนลงมาปลอบใจที่วิญญาณหรือว่าคุณไม่ต้องกลัวนะวดาตาฮานูแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรนะกังวลเดือดร้อนเรื่องข้างหลัง เอาคนที่ตายเนี่ยมีบ้านมีที่ดินใช่ไหมมีภรรยามีลูกแต่มีธุรกิจอะไรไว้กระดาก็ตามแต่ก็เป็นห่วงนะอ่ะไอ้ลูกมันจะรูดากันได้หรือเปล่ามเมริกาจะมามาปลอบใจเราที่นอนหลับตาตาสบายๆฉันดูแลให้เรื่องที่สามว่าอาบิชิรูบิญันนะแจ้งข่าวดีว่าคุณได้ไปสวรรค์เอาได้ไหมเอา คำเดียวล่ะเนี่ยท่านคนอ่านกูอา่านอายาเนี้ผมผมอา่านประจําอนะต่อทหารยุทธ์น่ะอ่านอายาเนี่ยรอดอานแล้วมันสบายใจเราทํากระตุน้นหัวใจเราให้ยืนหยัดในในอันอลลอฮ์นะครับอย่างนี้เป็นต้นเอาต่อมาครับอัลลอฮตีกุนตุมตูอาดุนที่ท่านทั้งหลายถูกสัญญาเอาไว้เนี่อัลลอฮ์สัญญากับเร า, เาไว้นะ ถ้าคุณยืนหยัดในอัลลอฮ์องเดียวยืนหยัดแบบมั่นคงอัลลอ์จะให้มอริกา์มานี่คือการสัญญาเล่าในคัมภีร์คุณอ่านให้นบีมุฮัมมัดฟังแล้วก็นบีมาสอนพวกเราวันนี้สบายใจไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นยืนหยัดในอิสลามยืนหยัดในอัลลอฮ์องเดียวนี่แหละนะครับอย่าทางชิริกต่อมาหายะที่ส1สิบเอ็ด نحن أ, أ و ل ي ا ؤ ك م في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتيعنفسكم ولكم فيها ما تدعون نحن أ و ل ي ا ؤ ك م ในชีวิตในโลกและในโลกหน้า ولكم فيها ما ت س ت ه ي أمفوسكم ولكم فيها ما تدعون ดูสับครับนัฮงรูแปลว่าเราเราหมายถึงมะลาอิกะ เนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะเรามาถึงมาลายกนนาหน้าโนเราเอาลิยาอูกุมเอาลิลียกวาวัลีนะเป็นมิตรของสูเจ้าอยู่กับสูเจ้านี่เล่าให้ฟังคนที่ยืนหยัดอยู่กับอัลลอฮ์ไม่ทําชืริกต่ออัลลอฮ์ะนะครับ เมื่อเจอปัญหาหนั ก, นกๆก็ไม่ทิ้งอัลลอฮ์เนี่ยนะนะโนเอาลียาอุกุมเรามาดึงมาเลกาเนี่ยอยู่กับท่านเอาที่เราได้เรียนมาที่เรารู้มาตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมมาเลกาเนี่ยอยู่ทางซ้ายทางขวาใช่ไหมแล้วก็มาเลกาเนี่ยมาอยู่กับเราเห็นตัวไหมมองไม่เห็นตัวนี่งานี่เล่าให้ฟังนี่เป็นหลักหลกฐานยืนยันแล้วว่ามาเลกานั่นอยู่กับเรา ทีนี้คาว่าอวิยะเนี่ยในทัปสีอธิบายไว้สี่อย่างหนึ่งมาช่วยเหลือกิจการของสูเจ้าแบบลับๆตีแล้ไม่ดีที่เราตื่นนอนมาเนี่ยแต่ลุกขึ้นมาตะหันยดได้เนี่ยใครปูุกเราความรู้สึกเราอยู่ในตัวนัมาราอิกาทั้งหมด ที่เราเดินมาออกจากบ้านอยากจะอ่านดูอาดูอาตอนออกจากบ้านพอเห็นรถนึกถึงดูอาขับรถเห็นมัสยิดนึกถึงดูอามัสยิดใครเตือนเราว่าอะไรก้าทั้งหมดนะฉะนั้นนักนุเอาลียาอุกุมเราเนี่ยเป็นมิตรอยู่กับท่านคำว่ามิจเนี่ยข้อที่หนึ่งนอุลมามะอธิบายตำเซสนะข้อที่หนึ่งมาช่วยเหลือกิจการต่างๆของสูเจ้า อย่างเดือน น, นี่รไะไคร่นะเดือนชาบาใช่ไหมเดือนชาบาเนี่ยทำอะไรบ้างท่านนบีเนี่ยแ <c> ต <oughs> ่ยังไงชาติเล่าเองนะครับนบีเนี่ยจะถือศีลอดในเดือนชาบาเนี่ยมากที่สุดเช่นตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะสองวันสามวันสี่วันห้าวันหกวันเจ็ดวัน ถือติดต่อกันเนี่ยมากที่สุดนี่สุนัขนบีครับข้อที่สองในเดือนชาบานในลุกขึ้นนมาแตะยุทธไมคาน ด, ด้วยข้อที่สมอ่านอัลกุรอานจะไปอ่านกลางวันกลางคนืนก็ได้ในนิษโมตเจ้าในนี่ใ น, ใ น, ใ, น, ใ, น, ใ, นในชาบานนี่นะจะไปอ่านกลางคืนอ่านกลากงวันได้หมดหนึ่งลุกขึ้นนมาจะได้นะหนึ่งถือสินอดอ่า ถ้ายิงไอช้ชาไรางานเองก็ฉันเนี่ยถ้าฉันขาดขาดบวชอาจจะเป็นวันสองวันท่านจะมาถือชาในเดือนสาปบานนี่แหละอะจากนั้นก็เตือนพวกเราด้วยว่าคนที่ขาดบวชมาปีที่แล้วยังมีไหมถ้ามีก็ตอนนี้นะชาชานี่ได้เลยนะขาดสวันสองวันสามวันใช่ไหมนี่แหละ ล้วก็บวชต่อสุนัตต่อไปด้วยอีกสักสองสามวันเป็นห้าวันหกวันใช่ไหมนี่เป็นสุ น, นัขนบีแต่ในทิ้งที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็จ้องวันที่เทไาไนะ์นะนิสรูชาบานไม่อยากจะแตะนะไม่อยากแต่นั่นดอยอีพานิสเกท้ทั้งหมดนะเราอยากจะทําจะตายไปอยนะหนึ่งต่ออายุสองให้เราให้ตายในใอีมานอ่านอะไรนะ อันสุรอะไรสุรยาซีนใช่ไหมผมเช็คข้อที่ดูเอาแต่แค่นี้พอนะจบลัวว่าสิ่งที่ท่านนาบีปฏิบัติในเดือนชาบานก็คือถือศีลอดหลายวันติดต่อกันแล้วบางข้์ที่อธิบายไปว่าหลังจากวันที่สิบห้าชาบานไปแล้วเนี่ยนบีจะไม่ถือ อ, อย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวจะไปสับสนกับ รามอดนะถือทำไมเป็นการกเรือ ว, ว่าวอร์มวอร์มอัพนาะเป็นการนั้นนะฝึกตัวเราให้ไปอยู่ในเดือนอ่านประเสริฐในเดือนรามอดโดยการฝึกถือสบวตตามท่านนบีมุสลิมอัตเตเตเตปฏิบัติเอาไว้ตัวเราว่าหนึ่งถือบวชสองลุกขึ้นนมาตะหัดยุดสามอ่านอัลกุรอานสี่ดิกรุลลอ ห้าขอดูอาเยอะๆในช่วงเนี้เดือนชาบานเนี่ยแล้วก็ติดต่อกับพืญาติอย่าทําให้พ่อแม่ตัวเองเสียใจลูกๆเนี่ยถ้าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะอย่าทะเลาะกับญาติพี่น้องตัวเองอย่าทะเลาะ ก, กับภครหน้าพ่อแม่ตัวเองอย่าทำให้ภรรยาเสียใจให้ลูกเสียใจมันก็ต้องสอนการเตือนกันอยาดากันในครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาครับ ตัลวงอามาลัยกาอยู่กับเราไหม อ, อยู่กับเรานั่นหนูเอวลียาอ w กุ้งเขาว่าอยู่กับเรานั่นอุลมามอธิบายว่าหนึ่งมาช่วยเหลือกิจการต่างๆของเราให้ใหดีขึ้นเรื่องที่สองนะนะักนักสุกรมมารักษาปกป้องเราไม่พบกับอันตรายต่างๆเราไม่รู้อ่ะวันที่รถขับรถไปนี่ไป c จอ ident, อักซิเด แล้เราปลอดภัยอ่ะธนาครคุ้มครองเรามาลัยกาคุ้มครองเราต้องนึกต้องการอรหัมดยลีลาขอคุณนัลนหรอนะครับเรื่องที่สา ม, มาสนับสนุนให้เราทําความดาีสนับสนุนเสริมที่หัวใจเราให้อยากจะทําความดีอยากจะอ่านกูณอ่านอยากจะถือสินอดอยากจะลุกขึ้น น, นมาต่อให้ยุด อยากจะซรกรุลลออย่างนี้เป็นต้นอยากจะขออนุญาเนี่ยมาลีก้ามาสนับสนุนหัวใจเรื่องที่สี่นะครับชี้ทางนำที่ถูกต้องให้กับเราอุลามะอธิบายละเอียดยิบเลอะล ะ, มละามเอาะคว่าอัลียาอุกุมคำเดียวนะแต่ว่าฉันเป็นมิตรกับท่านเนี่ยมีอธิบายไว้ละเอียดอะไรเพื่อความเข้าใจง่ายๆในกามีกุรอ่านนะครับทีนี้ ฟิล hayat ดุนยาชีวิตบนโลกดุนยาใบนี้มลายกาก็อยู่กับเราด้วยว่าฟิลอาเคโรในโลกอาเครก็อยู่กับเราด้วยอันนี้เล่าให้ฟังเลยแต่ว่าเรามองไม่เห็นแต่จะเห็นตอนไหนหรู้ไหมคนที่จะเห็นมลายกาพอวิญญาณจะออกจะร่างเห็นทันทีครับอันไม่เชื่อลองตายดู <laughs> ขณะ น, นี้มองมาอิกา์ไม่เห็นจะเห็นมาอิกา์ตอนไหนหรู้ไหมพอวิญญาณจะออกจากร่างปั๊บเห็นทันทีเลยอายาถึงฟาโรได้ยืนประกาศว่าอามันตัวฉันเชื่อแล้วว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวพูดทำไม คนเะนุมฟดุ a. ่ฟลอาอมาลกอัลลอะให้ฟังเองบอกว่ามาลัยกานี่นะอยู่กับท่านทั้งหลายเป็นมิตรกับท่านทั้งหลายในชีวิตดุนยาและชีวิตในโลกอาครด้วยอัลลอตาได้อยู่ในกุโบเองอะเป็นเพื่อนกันได้อยู่ในกุโบอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาครับ อันนีก็เล่าเรื่องคนที่จะไปสวรรค์ว่าละกุมฟีฮาละกุม้มแปลว่าสําหรับท่านทั้งหลายนั้นฟีฮาในสวรรค์ครับมาตัชตาหีสิ่งที่ท่านผสมสิ่งที่ท่านยามได้ได้หมดเลยชีวิตในสวรรค์นี่นะท่านอยากได้อะไรได้หมด อัลฟุสุกุมที่จิตใจของท่านอยากนึกอยากจะได้อะไรนี่อัลเล่าให้ฟังล่วงหน้าว่าเป็นคำสัญญาที่อลัลลอ์สัญญาไว้ว่าคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการทุกชนิดต่อมาครับวาดกุมฟีฮามาตาดาวนและสำหรับพวกท่านจะได้สิ่งที่พวกท่านเรียกหาอันแรกเนี่ยตัชตาฮี สิ่งที่ท่านอยากได้นึกในใจนี่นะพอนึกมีฮะดิษอธิบายไปว่าเห็นนกบินอยู่ในสวรรค์นี่มาเห็นนกบินอยากจะกินนกตัวเนี้ลงก็นกก็จะถูกจับลงมาแล้วก็มาย่างต่อหน้าให้กินเลยเอาเป่าถ้าอยากได้ก็ต้องยืนหยัด ใ, ในอลสลามให้มั่น มีปัญหาเดือดร้อนอย่าคงแขงนะครับยืนอย่าถูกตาด่าบ้างตำหนิบ้างอะไรบ้างบางคนไม่กล้าพูดตรงนีชูชาวบา้านอ่ะคือน้องไม่ยอมอะ่ะเราลงเองตอนนี้นบีสอนอย่างนี้ว่าปฏิบัติตามิท่านนาบีสอนก็แล้วกันนะครับสบายใจนะหละทำได้แลยละตกลงว่าอายาที่สามสิบเอดเนี่ยทำให้เราอิมานเพิ่มนะนะจะไปไหนมาไหนใครดูแลเรา มาลาอิกาดูแลเราทั้งดุนยาและอาครอเลยอัลฮัมดุลิเลอฉะนั้นมุสลิมอยู่บนบ้านเนี่ยไม่ให้เดินแก้ผ้าไม่จําเป็นย่าไปแก้ผ้านุ่งผ้าปิดเอาไว้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะเราอยู่กับใครมาลาอิกาด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาครับอายะห์ที่สามสิบเอดสาสิบสอง นุ่งระมอัรหมนะมอัรหมนุแปลว่ามาจากนาซาลาไปวาลงทีนี้แปลว่าเป็นการต้อนรับเล่าชีวิตในสวรรค์ให้ฟังนะครับ ว่ามาาิก้าน่อยู่กับท่านทางดุนยาและอาคือระองเข้าสวรรค์แล้วอยากได้สิ่งที่คุณอยากกับสิ่งที่คุณเรียกหาอยากกับเรียกหาอยู่บนดุนยาเนี่ยไม่ได้ทั้งสองเรใช่หรือไม่ใช่อยากจะอยากจะกินนั้นไม่ได้กินเรียกแล้วขอแล้วบางทีมันลืมใช่ไหมแต่ชีวิตในอาคือร้องไม่มีครับสิ่งที่ท่านอยากจะได้อารอให้เลย สิ่งที่ท่านเรียกหาได้เลยนะครับนูซูลันเป็นการต้อนรับนี่เป็นการต้อนรับเป็นการต้อนรับแขกนะว่าเราพิธีนาเป็นแขกตอลอดนะแขกจากใครครับเมนัวฟูริรอฮิมจากพระผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอจากพระผู้ทรง กฟูทรงอภัยราหีู้สรงเมตตาเสมอก็มาจากอัลลอฮฺซุบฮานาะห์วะตาอลล <c oughs> ในสุราวะกี้อธิบายบอกว่าฮาดานูซูลหุมเยาเยามดดีนนี่เป็นการต้อนรับในวันเตียมะอ๋อมีกานเตียมะอาทีนี้ อ, อยากจะให้นำเอาชีวิตของนบีนี่มาใช้นะครับ ยิ่งอยู่ในเดือนซาบานเนี่ยสิ่งที่นบีไม่ทำนะสามอย่างนะหนึ่งนบีไม่พูดตำหนิใครข้อที่สองนบีไม่เคยทำให้ใครต้องอับอายเรื่องที่สามนาบีเนี่ยไม่ไม่หาจุดบกพร่องของคนหนึ่งคนใดในลุมซาบานาบีนะ่ นบีไม่เคยทำกับหนึ่งอะไรนะไม่พูดตำหนิใครสองไม่ทำให้ใครเขาเรียกว่าอัลคิซิลอับอายข้อที่สามนบีไม่หาจุดบกพร่องของคนหนึ่งคนใดแต่นบีน่ะถูกถูกหาว่าบกพร่องตรงนั้นบกพร่องตรงนี้แล้วก็ทำทำให้นบีอายมีไหม อรอเยอะๆเป็นหมดแต่น บ, บีเคยต่อเคยแก้แค้นไหมไม่เคยแก้แค้นเด็กอัลกุรอานอายัดต่อไปนะครับต่อมาค้อพระยาที่33ว่มันอัลชาโนกาวลัมมิมมันดารอิลอัลลอฮ์ว่ามิลสาลิฮาว่าก้าลอินนี่มินัลมุสลิมีน ว men أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين อายะนี้เป็นหลักฐานว่าการทำงานศาสนาการเชิญชวนคู่ผู้คนให้รู้จักอัลลอฮเป็นงานที่ประเสริฐนี่คือหลักฐาน ว่ามันอักษรนกาวลันดูคำแปลครับกาลันแปลว่าคำพูดหรือถ้อยคำอักษแปลว่าประเสริฐสุดดีที่สุดว َمَنْ أَحْسَنُ ق َ و ْ ل ลันมิมมันพูดที่ด ع ا ء อิลล allah แปว่าเชิญชวนอิลล a l l สู a a ่อัลลอ จะมีคําพูดอะไรเล่าที่จะดีไปกว่าการเชิญชวนผู้คนให้รู้จักอัลลอฮ์นี่เป็นหลักฐานกับจะมีคําพูดอะไรเล่าที่ดีไปกว่าหรือประเสริฐไปกว่าคําพูดที่ออกจากปากเราแต่ละคําแต่ละคําเนี่ยเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ์ดีไหมดีมากครับ การคำพูดที่ด่าคนน่ะดีไม่ดีไม่ดีจันนั้นห้ามด่าคนแต่มีอย่างเดียวเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ์ดีที่สุดแต่ทำเรืองๆอย่าง น, นี้อย่างซาบานเนี่ยทำอะไรบ้างหนึ่งถือสินอดสองอ่านกรุรานเยอะๆสามลุกขึ้นนมาตาฮยุตสี่ให้ขอดุอารห้าให้ศิกุรุลลอฮ ข้อที่กอย่าทะเลาะกับญาติพี่น้องตัวเองเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้นะฟึกตัวเราในเดือนสาบานนะครับฟึกตัวเรานะคพยายามความดีนะครับแล้วก็ตัวช่วยก็คือมาัยกรนะฮนูอลุลียาอุกุมเิลฮียติดุนยาวัฟิลอาคราตัวช่วยอยู่ที่นั่นนะครับผู้ใดเล่าประเสริฐที่สุด ในคำพูดยิ่งไปกว่าผู้ที่เชิญชวนผู้คนให้รู้จักอัลลอฮฺเป็นคำพูดที่ประเสริฐที่สุดนะครับเรียกร้องคนให้รู้จักอัลลอฮฺนะอยู่ว่ายังไม่พอกับอัลลอมิรซอลิฮและเขากท็ทาอะมันที่ดีเรียกร้องอย่างเดียวไม่พ อ, อการเรียกร้องนะ่ะเป็นภาคปฏิบัติชนิดหนึ่งใช่ไหม ชายวาจาพูดแต่ตัวเองต้องอามันสอนละด้วยอามันจะสอนแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดนะบางคนเชิญชวนคนทำความดีแต่ตัวเองไม่ทำนี่มา <c oughs> อเองไปน้ายกันแต่คนที่เชิญคนเนี่ยหายหน้านี่เตือนคนที่ทำสอนคนใน้เป็นคนดีเนี่ยตัวเองต้องทำด้วยนอะอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าพูดดี แต่ตัวเองไม่ทำค่าของการพูดนี่หมดเละทันทีเลยนะคนเขาจะมองดูถูกเหยียดหยามเราเองเ<ม>ก่งแต่พูดใช่ไหมแต่ยั<ม>ยงทำนี่โอยไปไว้ใจอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในกุณอานเตือนนะมิมันได้ยินละละจะมีคำพูดอะไรเล่าดีไปกว่ายิ่งกว่าการเรียกร้องเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ วามีเราสอนเรันแล้วก็ปฏิบัติงานที่ศอแล้วเขาว่าอามันที่สอนแ้วคิดเองไม่ได้ด้วยนะคิดเองไม่ได้พอเรอดแต่งตั้งนบีมาเนี่ยให้เดินตามนบีให้หมดอย่าคิดเองครับอะไรที่เป็นศาสนาต้องมาจากนบีก่อนนะครับฉะนั้นต้องเรียนสุนัขนบีว่านบีสอนยังไง นบีบวชยังไงนบียืนนมาตหัยุทธ์ทำยังไงนบีนมากับภรรยาไหมต้องเรียนต้องศึกษาต้องหาความรู้นบีให้อภัยคนละวรลกี่ครั้งดูแลภรรยาอย่า ง, งนี้อาสุนานบีมาใช้ในชีวิตประจำวันวกอจะอินนานีมินัลมุสลิมีและเขากล่าวว่า อินนีอินนานี ni, แท้จริงฉันมินันมุสลิมินอยู่ในหมู่พูดนอบน้อมคำว่ามุสลิมนี่นะแปลว่าพูดนอบน้อมพูดถ่อมตนฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาจะถ่อมตนตลอดเวลาถึงจะมีเงินเยอะขนาดไหนก็ถ่อมตนมีความรู้ขนาดไหนก็ถ่อมตนนะครับจะมีตำแหน่งสูงเป็นอะไรใน ในรัฐบาลก็เถอะเขาถ่มตนตลอดเวลาว่าอินนะนี้ว่ากอละอินนะนี้มีนันมุสลิมีนและฉันเป็นผู้อยู่ในหมู่ผู้นอบ น, ออน้อมท่มตนคำว่ามุสลิมเนี่ยหมาจึงยอมจำนนตนตลอดในทุกๆเรื่องนะครับถึงจะฝือนอารมณ์ก็ต้องน้อมน้อมรับนำมาไปปฏิบัตินะครับต่อมาคราบอะยะที่สามสิบสี่ ولا تستويل ا حسنة ولا سيئة، ا د ف ع ب التي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ح م ي م ولا تستويل ا حسنة ولا سيئة. อิดฟ้าบิลลัติฮีย์อัพสน์ فإذا الذي بينك وبين เขา عداوة كأنه ولي ينحميم ทั้งดูละความรู้ได้จากอายานนี้ก็คือความดีกับความชั่วคัสนะแปลว่าความดีไซอะ ความอะไรความชั่วอย่านึกเองนะพยายามเปิดกุรานดูสิความดีมีอะไรบ้างคืออะไรที่นบีสั่งนั่นเป็นความดีทั้งหมดอะไรที่อัลลอฮฺสั่งผ่านยิบรีนให้มาบอกให้ทํานู่นทํานู่นทํานู่นนั่นเป็นอามัลอุซซอแล้วหมดเลยนัเดี๋ยวศาสนาส่วนความชั่วก็พยายามออกออกห่างคิดเองไม่ได้ นะครับเนี่ยลองเล่าให้ฟังความดีกับความชั่วเนี่ยไม่เหมือนกันหรือไม่เท่ากันนี่ขึ้นอะไรก่อนนะขึ้นความดีก่อนใช่ไหมเวลาตาสตาวิลฮัสานาตาุความดีกับความชั่วนั้นไม่เหมือนกันหรือไม่เท่ากันคนทำความดีอเลาะก็ยกย่องให้เกียรติเนี่แค่ความรู้นี่นะ เป็นมุสลิมแล้วนี่ถ้าไม่เรียนหนังสือกับเรียนต่างกันไหมเป็นมุสลิมแต่ไม่เรียนหนังสือไม่ฟังตัฟซีดไม่ฟังฮัดีิสฉันเป็นแขกแล้วก็เพาะแล้วเราก็มาสุเราวด้วยสุกเราก็รอวันอีดเราก็รอเดือนอมมดอลแล้วก็ไม่ได้นี่ยเขาสอนตัฟซีดกันไม่จะ้ใส่ใจเลยอ่ะต่างกันไหมตามกัน ถ้าไอ้คารสาขาของของของอิมานนะมีทั้งหมดนะเจกด่าบกว่าสาขานะการศึกษาหาความรู้นะเป็นอิมานข้อหนึ่งท่านการเรียนตั้ซีดเนี่ยเป็นอิมานข้อหนึ่งนะ้อมน้อมทําตนเนี่นรเรยนะเป็นอิมานอีกข้อหนึ่งให้เกีตกับพ่อแม่เป็นอิมานอีกข้อหนึ่งนะฉะนั้นอิมานต้องแสวงหาตลอดเวลาฉะนั้นความดีกับความชั่วจึงไม่เหมือนกันฉะนั้น หาความรู้นี่เป็นแสวงหาอีมาอีกข้อหนึ่งนะถ้าไม่เรียนนี่นะใครชอบหรือเปล่าชตอนมันชอบหลอกง่ายอะ่ะคนไม่เรียนนี่หลอกง่ายะนะครับเอาต่อมาครับอิเฟะจง บ, บํำลาหรือจงขจัดอ่าจงขจัดให้หมดไปจงบำํำลาหรือจงปราบ จงปราบอะไรนะความความชั่วอิดฟาบิลละตีฮียะอฮซันจงอะไรนะจมบำราบหรือจงปราบความชั่วด้วยการทำความดีมาทดแทนนี่สอนเลยเลาลสอนเลยด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ให้ยิบรินมาบอกกับนบีว่า เมื่อความดีความชั่วไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพยายามทําความดีมาลบล้างความชั่วท่าคนที่ถามยา ก, กูโบเนี่ยนั่นก็ทําความดีนะความเพียรที่มีอยู่เล็กๆน้นนนอยๆเราเรามองข้ามหมดแล้วจริงเรามานมาศมาฟังตัปซีดแล้วก็นอ บ, น, อ บ, น, อบอน้อมท่อมตนแล้วก็ดูแลงานมัสยิด ก็ดูแลพี่น้องคนยากคนจนไปมาหาสู่เข้าเยี่ยมกับเขามีอาหารการกินก็แบ่งกันใช่ไหมเห็นหน้ า, ายิ้มยิ้มทักกอยก็ได้เนี่ยไม่ต้องรอให้เ้ายิ้มก็รอวันรอพ่ออบนาีได้ยิ้มก่อนใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยพยายามทำความดีเพื่อลบล้างความชั่วอาซุนาอัุลนบีมาชายัยในชีวิตประจำวันใช่ไหม ฉะนั้นนี่เอาลอตสังนะพยายามทำความดีเพื่อลบล้างความชั่วต่อมาครับฟาอซัลลฮบนกวะบนูอดาวะอดาวะแปลว่าการเป็นศัตรู mm hmm. คนที่ mm hmm. นบีนี่ศัตรูเยอะัหมเยอะคนที่เป็นศัตรูกับนบีเนี่ย พอต่อมามารับอิสลามเนี่ยกลายเป็นมิตรหมดเลยฟ้อีดัลลาดีใบนกคะและเมื่อนั้นจงดูเถิดระหว่างท่านกับเขาระหว่างนบี ม, มุฮัมมัดกับเขามาก็ว่าคนที่เป็นศัตรูกับนบีมุฮัมมัดนี่นะ เอาใช่ใครบ้างอย่างไซนาอบูบากัดไซนาอุมัดไซนาอุมัดเน่ยเคยวางแผนใช่ไหมเอาดาบถือดาบไปจะไปฆ่านาบีใช่หรือไม่ใช่ก่อนที่จะไปฆ่านาบีนะเข้าไปที่บ้านน้องสาวก่อนนะเพอราะว่ารู้ว่าน้องสาวรับอิสลามเนี่ยตบน้องสาวดูวทั้งเลือดไหลแล้วก็น้องเขยอีกรับอิสลามอีกอแล้วก็ไปต่อยเขาว่า แล้วก็ถือดาบมาจะมาจะมาหาอบีแล้วก็มารับอิสลามอ่ะแล้วก็กลายเป็นนังไงกลายเป็นเป็นมิตรกลายเป็นเพื่อนกันเมื่อก่อนเนี่ยเป็นศัตรตูพอมารักอิสลามแล้วเข้าใจอิสลามแล้วเนี่ยก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกับท่านนับีย๋ยมหมมัดสูลลลอฮฺมุสลมิมข้าใหญ่ในเตือน فإذا الذي بينك น بينه عداوة แล้วเมื่อนั้นจงดูเถิดผู้ใดที่ได้มีการเป็นศัตรูระหว่างเจ้ากับเขากัอันนาฮูวะลียุนฮาวีมก็จะกลายมาเป็นเพื่อนสนิทหรือมิตรสหายอันอบอุ่นถ้าเข้าใจอิสลามแล้วเนี่ยเคยด่าอิสลามเคยด่านบีเคยด่าอัลลอฮ์เ AH, มื่อรับอิสลามแล้วนี่นะก็จะกลายมาเป็น คนรักใครก่กันสนิทกันนี่อัลลอฮ์สัญญาไว้ฉะนั้นเรียนอิสลามอนนันใครที่ดาดา น, นบีไว้นี่นนในรูปปัจจุบันนี้มีเป่ามีครับติดตามข่าวด้วยสิใครจะใครหลายคนไม่เ อ, อ่ยเชื่อนะเพราะฉะนั้นคนนี่ทามาเรียนอิสลามปั๊บนึ่จะกลายเป็นคนรักระหว่างเราเขากบอัลลอฮ์ เขากับท่านนาบีนะครับเขากับบรรดาซาบานนบีอย่างมีเป็นต้นตรลรองว่าท่านซุฟยานบินฮัดเคยเป็นศัตรูกับท่านนาบีแล้วต่อมากลายเป็นเพื่อนสนิทของท่านนาบีท่านซุฟยานบินฮัดในตับซิดตับซิดมารอรมารอรี่นะครับมาต่อมากับอายาที่ห้าสาสิบห้า وما ا ي ل ق ه ว่ามาจะเล่าَธอแ م ่คนที่อด ل َว و ามาَ ا เล ل َเธอแต่คนที่ผََ้ ب ช و ا ว่มาเล็ ก, ก่อให้ัลลัฮฺผู้พันธุ์ร่ลึกอเนี่ยไม่มีผู้ใดเรียนรู้ลักกอ <c oughs> ไม่มีผู้ใดเรียนรู้ถึงเนี่ยถึงคุณธรรมข้อนี้ได้อิลลัลลินซบาูยกเว้นคนที่ อดทนที่จะเอาความดีจะน่าความชั่วได้เนี่ยทำไม่ได้หรอกแต่ถ้าไม่อดทนตัวลงว่าสบัดอดทนนะเป็นอามันที่โเลยบรรดา น, นาบีที่มาในโลกนีถ้าไม่อดทนนะนบีแต่ละคนนี่ถูรังแกใช่หรือไม่ใช่ อ่าน บ, บีบรอฮีมถูกโยนใส่อะไรใส่ไฟใช่ไหมที่เราเรียนกันมานี่เราได้ยินรบายานกันเต็มทั้งหมดเลยนะนะถูกโยนใส่ไฟแต่ไฟไหม้หรือเปล่าไหม้เพราะอะไรครับเพราะเข า, เขายืนยัดอยู่กับศาสนาของอลัลลอฮ์อลัลลอฮ์ให้เขาปลอดภัยหมดเลย คือรถเมในในในในอังกฤษเนี่ยรถเมในอังกฤษนะรถเมในอังกฤษนะข้างหลังนะครข้างหลังรถเนี่ยเขาเขียนนะว่าทำไมเมดไม่สามารถตัดคอ น, นบีอิสมาหินได้ทําไมไฟไม่ไหม้อบดุลบรอหีนได้ทําไมนบดุลยูนุษย์จึงไม่ถูกม้าไอะถูกปลาเกลืนคนของอากระทั่ทัทง้ทงทั้งทั้งทั้งประเทศน่ะ ใช่รถเมในอังกฤษมุสลิมคุมหมดนะแต่บ้านเราน่ป้ายอย่างนี้มีเปล่าอ่ามีแต่ผู้หญิงผู้ชายกอดกันนะต่างกันทั้งเยอะอย่างก็ฟ้าก็ดินอ่ะแต่เราเดินตามฝรัง่งฝรั่งก็เข้ามาถึงไหนกันแล้วอ่ะอยังมีเป็นตัวเอ้แต ะ, ะไรเล็กน้อยๆ น, ยนะครับ วามาอยู่ละกอฮาอิละลัลลาีนสับรูไม่มีผู้ใดเรียนรู้ถึงคุณธรรมข้อนี้ได้นอกจากบรรดาผู้ที่อดทนอดทนดนั่นแหละนบีม a ม o m ถ้าไม่อดทนเนี่ยอิสลามมาถึงพวกเราไหมไม่ถึงครับวันที่นบีถูกด่าถูกไล่ถูกคว้างด้วยหินที่เมืองอะไรตออิฟ เพราะความอดทนของนบีต่างหากหละถึงวันนี้มุสลิมกล้าพูดต่อหน้าประชาชนเป็นแ ส, น, สนล้านเลยว่ามุฮัมมัดเนี่ยอดทนที่สุดถูกรังแกขนาดนี้ให้อภัยอะ่ะยิ้มออกอะ่ะแล้วเรากล้าพูดไหมล่ะอย่างีเป็นต้นน่นฉะนั้นนบีมุฮัมมัดเป็นบุคคลที่อดทนที่สูงที่สูงสุดด้วยความอดทนนั้นชนะได้ทุกเรื่องหมดเลยครับต่อมาครับ ว่ามาอยู่ละโกหะแต่ไม่มีผู้ใดเรียนรู้ถึงคุณธรรมข้อนี้อีกอล ล, ลัลฮุฮุซินอามนอกจากผู้ที่ครองส่วนดีอันยิ่งใหญ่ฮัซุนอาซีมเนี่ยแปลว่าสวรรค์แต่ว่าใช้ภาษาฮัซุนอาซีมแปลว่าครองส่วนดีอันยิ่งใหญ่มาถึง เขาจะไม่ได้พบกับสวรรค์นอกจากเป็นคนที่อดทนเท่านั้นถ้าเรามาอยู่บนดุญญนยาเหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะทำงานศาสนานะ่ถูกรังแกถูกดา่าถูกใส่ร้า ย, ายถูกฟิตนะแต่เราก็ต้องอดทนแล้วก็นั่นแหละคือรางวัลอังยิ่งใหญ่คือรูฮัลินอาลีม เขาได้ครอบครองสวนที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดก็คือสวนสวรรค์ของอัลลอฮสุบฮานะฮูวาตดาร์พต่อมาครับ ม, มีคำความที่บายคำว่าสะบัดทันอิบมาอับบัสบอกว่าการสะบัดอดทนเนี่ยเป็นงานที่ประเสริฐมากงานสะบัดอดทนนะเวลาเขาโกรธ ต้องอดทนไม่แก้แค้นแล้วก็ไม่ถือโทษแล้วก็อดทนในการทำความดีเช่นอัลมาชูอิลลัอลการเดินมาหนามาถึงมัสยิดแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยวายมากก็ดีได้ไม่ดีไม่ดีให้ขอดูอาตอละอัลลอฮมอินนีอยุบยกามินัลบารอซิวัลจุนูนวัลจุดาวะมินลอัสกม ไม่ใช่ด <KNOW> อัล่าหรอหรอหรอเนี่ยไม่ยกเว้นใครเลยเหรออ๋ออย่าๆๆ่อย่าออกมาภาษานี่ยอย่าออกมาจากปากเรานะครับมย่าีเป็นต้นเอาต่อมาอายาที่สุดท้ายนะครับวะอิมยันซารันนักมินอชัยตอนินาซูฟาสต่างิดบิล อินนุฮ AH ูวะสัมิงอัลลอฮิลิมอัลลอฮฺอายาณีดีมากครับเป็นดวยนอิมะยันซักนักมิ่นอัลชาอิควานีนัซรุนฟัสต้าอิบิลลัลอินนุฮูวะสัมิงอัลลอฮิลิมอายาณีเป็นหลักฐาน นะครับเมื่อเราถูกชัยตอนเนี่ยยุยุไชตอนเนี่ยยุรู้ว่ายุวยัายุหัวใจเราเนี่ยในทางสกปภพในทางวิธีเนี่ยให้นึกถึงอัลลอฮ์ทันทีเลยต้องการอยา่างแท้บางไชตอร์มีสองอย่างครับไชตอรนุนจินกับไชตอนุลอินส ไซตตอนที่เป็นมนุษย์กับไซยตอนที่เป็นตัวไสต์ตอนซึ่งเรามองไม่เห็นน่ะไซยตอนที่เห็นหน้าที่เป็นคนนั่งไซตตอนประเภทหนึ่งกับไซตตอนที่เรามองไม่เห็นตัวไซตตอนที่มองไม่เห็นตัวเนี่ยมันทําหน้าที่ยูวัตวิสุฟีสุดูรินนามันมาสร้างความสับสนขึ้นในหัวใจ ชื้อตัประเภทนี้อันตรายนะอยู่ในใจอ่ะแล้วก็นบีเล่านะชื้ตอนมันวิ่งอยู่หนเส้นเลือดของคนทุกคนมันวิ่งอยู่ในเส้นเลือ ด, อออดหัวใจเลยน่ะ น, น, นบีเล่าเองอ่ะฉะนั้นชื้ตอนอยู่ในตัวของทุกคน ถ้าเรานึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนะไซตตอนไม่มีอิทธิพลที่จะทําให้เราที่จะอะไรนยุที่จะยั่วยุเราให้ทําความชั่วไม่มีอิทธิพลถ้าเรานึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นวิกีวิธีการนึกถึงอัลลอฮ์อย่าให้ไซตตอนมีอิทธิพลในร่างกายเพราะยังเก็บน้ําน้ำมานเก็บน้ําน้ำมันดีที่สุดนะฉะนั้น สซนาบิลันเก็บน้ำน้ำมาดเป็นสัฮาบ้านบีที่เก็บน้ำน้ำมาดแล้วก็ทุกครั้งที่อาบน้า น, น้นมาดเนี่ยท่านจะน้ำมาด ก, ก่อนสองลักษณรู้ตอนไหนอ่ะท่านเล่าให้นบีฟังเองวันที่นบีขึ้นเมีอรอดไปรับน้ำมาดแล้วก็เอาล็อให้ยิบรีนพาไปในสวรรค์เนี่ยพอเข้าไปก็ เห็นไซนาเวลานเดินอยู่ข้างหน้าเนี่ยจําไอ้รองเท้าอ่ะได้น บ, บีก็ถามลงมาจากมอรอตแล้วถามว่าท่านเข้าสวรรค์ก่อนฉันนะ <c oughs> ท่านทําอะไรหรือเนี่ยฉันอาบ น, น้ำน้มาดแล้วก็น้ำมาดทุกครั้งที่อาบน้าน้มาดจะน้มาดสอนเราอ่านคำว่ า, าตาฮียตุลวุดุนี่มาเป็นคนุณธรรมมความดีอ่ะ อาฉะนั้นอย่าให้ชาตอนมีอิทธิพลเหนือเราเร า, าสั่งว่อิ ม, มายานันซารอนนะกะยานกันซารนี่แปลว่านาซาร้ยนันซะรุแปลว่า ย, ยั่วยุมีกาตามไปอีกยนกันซารอนนะกะ ย, ยั่วยุท่านหมายถึง ย, ยั่วยุนบีอาเมื่อชาตอนมา ย, ยั่วยุนบี ใครนะมีนัสไซตอนจากตัวมนันนัสรุนเป็นการยั่วยุชนิดหนึ่งอะไรก็ได้ยุ่ยุให้ทำความชั่วยุให้โกรธยุให้มันใส้ยุให้แก้แค้นยุให้เอาชนะอย่ายอมมันอย่ายอมอย่ายยอมมันอย่ายอมอยยอมันเพราะมันจนกว่ากูไม่ยอมอย่างเงี้ย ใอิทธิพลใช้ตอนหมดเลยนะที่วิ่งอยู่ในเส้นเลือดเรานี่แหละนี่มันอยู่อยู่บงที่มันมาในรูปคนเน่ยมาในรูปจูเราบ้างเอาเลยมึงยอมมันทํำไมเห็นไหมในมาในรูปคนเลยนะเคยเห็นใช่ไหมไม่อยากจะเล่าอ่ะผมจําได้เสวราหลังนูน่นมาเจอหลังนี้หลังนู่นมีอยู่คนหนึ่งหนุ่มสุกอถือมีดดาบมามา มัดฟันกับกูนะคนนสู้เราน่ยแหละาภาพนี้ผมไม่เอ่ยชื่อว่าใครนะแต่ผมตอนตัง เ, เด็กอยู่มันมองภาพอยู่แล้วก็นึกนี่อิจตุพลซตอนหมดเลยมุสลิมอย่างนี้เป็นต้นมายืนทาคุณ น, นมานานะถ้าเหลืออะไรแนละ้วจะไม่พูดแต่แค่นี้พอนะเพราะฉะนั้นว่าอิมมายันซารอนนกกมินชัยตอ น, นีนัสุน และถ้าได้มีการยุแย่จากไซตตอนยั่วยุท่านฟสตอิบิลลาให้ขอความช่วยเหลืออลัลลอฮ์ให้ขอที่พึ่งให้ขอความคุ้มครองบิลลาจากอาลัลลอ์เลยตัวอื่นช่วยไม่ได้ครับตะกกดช่วยไม่ได้ อาเซมัตช่วยไม่ได้คำพิษกูอ่านอยู่ในคอก็ช่วยไม่ได้ของที่ช่วยได้คืออะไรปากเราอูซบิลเลฮิมินอไซต์นิโรดีเห็นไหมนี่วิธีอะไรวิธีรักษาไสตตอนให้ออกห่างจากตัวเราให้กล่าวว่าไงนะฟัสต์อิยซบิลเลให้พูดว่าอูซบิลเลฮิมินอไซต์นิโรดีฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ ให้พ้นจากไสตอนที่ถูกสาปแชกอ่านอูซบิลล่านี่นะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะอ่านนมาเนี่ย ต, ต้ก็ตักบบลแล้วใช่ไ น, นะก่อนจะอ่านฟาติฮานะอ่านดวง อ, อิฟติตาก่อนจะมา อ, าอูซบิลลาฮิมินันสไสตอนในโรยีให้อ่านอูซบิลลาก่อนเสียงค่อยๆบิสมิลลากร้อเสียงค่อยอัลลฮ์มดุลิลลาห์ผจะอ่านเสียงดัง น, นี่ตามสุนานะนาบีนะ แล้วเาอุบิเหตุในทิงได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นจะอยู่ข้างนอกยังอยู่ข้างนอกเนี่ยเยอะช่อเยอใช่ไม่ใช่ใจต้องนึกเอาอุบิลลตุมนอนโรดีพูดก่อนและจก่อนนึกตามอย่างนี้เป็นต้นนะอัลลอฮฺอกร์มีสองอายะ ว่าอิมมَายะَักนَّจากชัยปานในนั้งรุ่มฟ้าสนาอิบิลละอินน้าหَูัมย์อัَฮะลิมอันยานอิอารับอะอรับเนี่ยไม่มีอัลละมิยะไม่มีอัลอาลิมแต่อันยานี้มีอัลิฟลามอัลละมิยะกับอัลอาลิมแต่ถ้าจะมีการยุยงจาก ตัวมาจากไซตตอนยั่วยุท่านยุยุ่งยุยุงนบียุ่วยุนบีดังนั้นจงขอที่พึ่งจงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ทันทีครับเพราะอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้เสมอนี่สอนไกด์สอนนบีให้นบีขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์และเราเนี่ยเป็นลูกศิษย์นบีนะเดินตามนบีจะตั้งตเดินตาม ของที่อลัลลอฮฺได้บอกผ่านท่านนาบีอยู่ในกัมภปลี่ยนคุรานเราก็ต้องเอาคุรานอาอยานี้มาใช้ในชีวิตประจำวันอธิบายหมายใช้ตอนมีสองประเภทนะประเภทที่มองเห็นตัวกับประเภท ท, เที่มองไม่เห็นตัวไอ้ที่มองไม่เห็นตัวเนี่ยสร้างอะไรสร้างความสับสนขึ้นในหัวใจเอาหรือไม่เอาสุ น, น่าเนี่ยจะเอาเข้าบ้านได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวญาติพี่น้องมันจะอันเตี้ย อย่างนี้จะตันว่ายาวยายายยยาวเอาเข้าอยาเอาเข้านั่นละอีกทีพูดเยตอนหมดเลยอย่างนี้เม็ต้นฉะนั้นต้องนึกจะพูดเรื่องดีนั่นแหละแต่ตอนบรรยูอย่าพูดนะอย่างนี้เป็นต้นเอาตัวลงว่านบีสั่งนะครับในฮะดีสบอกว่าบันทึกโดยมามอัล์มัด ล้วทิมีได้อนซัยด์ของขดุริรดิอัลลอฮฺวะันห์อะอาูจุบิลลาห์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ มินฮัมซีการให้รายของไซตตอนวนัฟซีการเป่าของไซตตอนวนัฟซีการพ่นพิษของไซตตอนถ้าอ่านไม่ได้ก็ออุศบิลลาฮ์มินะไซต์ตนิรายิมแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเออทีนี้เวลาโกรธก็เหมือนกันอ่าเวลาโกรธเวลาโกรธมีอารมณ์โกรธขึ้นมาให้กล่าวว่าไง أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا jam เฉยแต่นบีไม่ได้สอนแต่อุลามะเขาแนะนำบอกว่าให้อ่านอูซ <reco> บ <Christ> ิลลาฮิมินัสเซยตาน ا ل ر เซยตอนอยู่ที่ไหนหรือเปล่าอยู่ในร่างเราเนี่ยคือในรูจมูกอยู่ในคอยชุ่มอยู่ในโพรงจมูกเนี่ยเพื่อเวลาโซบะเนี่ยตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนเนี่ย อย่าเพิ่งอาบน้ำนะหมาจมกวเราจะได้สั่งจากด้วยมือซ้ายนะทําไมสอนอนะ่ะพอของไม่ดีต้องใช้ด้วยมือซ้ายอย่างนี้เป็นต้นในบ้านเราก็มีชัยตอนในส้วมก็มีชัยตอนนั้นก่อนจะเข้าห้างน้ำไม่อ่านดว้วยว่าไงอัลลอฮุมะอินนีอาซุบิกามินอลขบุสิอัลขบะอีทในตัวเราก็มีชัยตอนแต่ว่ า, วาอน่นาอุสบิลาซิขุนลอยเยอะๆใชตอนก็หนีออกจากตัวของเรา มรเบลักับ سبحان ักลมะวับิฮัมิกะอาสดัวลาอิลอิลลัลลอฮาบ